เศนาแผนที่82หสิงำดับที่6โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าเข้าไปอยู่วัดป่าบันตา วันนี้ออกมาฉันข้างนอกแล้วก็พร้อมกันพระท่านก็เสนอว่าหลวงพ่อจะออกสถานีวิทยุในวัดของเราไม่หลวงพ่อเออเอาออกได้เลยเพราะว่าวันสองสามวันสองสามวันข้างหน้านี่เราก็คงจะได้ออกถ่ายสดเหมือนกันสวดมนต์ของพระ วันที่26เยน็นแล้วก็วันที่27เชา้าเราคงจะได้ออกเพราะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนถึงวันจริงๆเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสนิมเกะหมดเดี๋ยวก็บาลมุมาตุ่มกันเพราะนั้นต้องออกไวแต่เนิ่นๆสักหน่อย ออกแต่ตอนเช้าเนี่ยแหละแต่ตอนอื่นเราก็ไม่ได้ออกเพราะนั้นเป็นการออกทดสอบทดลองทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทดลองทดสอบเพื่อจะเป็นงานใหญ่แต่ขนาดนั้นพอถึงเอาเข้าจริงๆก็ตกหลังม้าตกม้าตายเขามีมากต้องมากเหมือนกันเวลาเราเตรียมพร้อมสอบแล้วสอบอีกทดแล้วทดอบทดสอบแล้วทดสอบอีก พอออกเข้าจริงๆไม่ได้เรื่องก็มีมากต่อมากอันนี้ก็ให้พระท่นทานเตรียมพร้อม <c oughs> พระในวัดเราขนาดนี้ที่มาร่วมงานมาช่วยงานทั้งหมดมีอยู่63รูปนะคณะาจายญาติโยมลูกหลานรู้สึกว่ามองๆลูกก้ก็หนาแน่นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ ที่มาร่วมงานวันนี้พวกเราก็ได้ออกมาฉันข้างนอกฉันอยู่ข้างในศาลาข้างในหลายวันแล้วก็วันนี้ออกมาฉันข้างนอกก็คงจะฉันจนแล้วเสร็จนะวันนี้วันที่วันที่24เมษายน58แล้วก็วันที่26เย็นจะ ม, มีการสวดมนต์พระสงฆ์สวดมนต์ สวดพระพริตโมงคลในงานของวันเกิดของหลวงพ่อและก็วันที่27เตักบาทฉันเช้าแล้วก็คงจะแยกย้ายกันกลับอันนี้คือคือทำแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรมีพิธีลีตองแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเอง ก็เลยเคยพูดเคยกล่าวมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งเท่า ก, กี่หนเหมือนกันหลวงพ่อจะไม่ได้จัดงานวันเกิดพอว่างงานวันเกิดน่ยเขาว่างงานคํานี้นะ่ะมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดมันไม่ใช่หน้าที่ของพระกรรมฐานพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยอย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันหลวงตาท่านเขาไม่ได้จัดงานนะหลวงพ่อรู้ มางานแต่สมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับท่านปี2512นห้ไม่มีพี่มาคงสุดท้ายคง้งหลังๆที่หลวงพ่อออกมาแล้วเนี่ยยังค่อยมีงานลูกหลานก็ให้ความสําคัญหลังไหลกันมาลูกตาท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะท่านจัดงาน เ, าเพียงแต่ว่าลูกหลานเข้ามารวมรวบรวมกันมากาท่านก็ต้อนรับขับสู้ ท่านก็นไม่ได้ใส่ใจอีกต่างหากนะเป็นหน้าที่ของลูกของหลานของพระของเนนจะช่วยช่วยกันดูเมื่อผีน้องศรัทธาญาติโยมเข้ามารักเคารพในองค์พ่อของเราพวกเราก็ให้ความสำคัญตอนรับขับสู่ญาติผีน้องเข้ามาในงานก็เพียงแค่นั้นหลวงตาท่านก็นไม่ได้ให้จัดงานจัดการเป็นลก มีหางหนง่งหางนาคสงนงสงน้ำํำไม่เคยมีใน <c oughs> ในองหลวงตาวันนั้นพวกเราในฐานะสิทธิ์ลูกหลานของหลวงต า, าหลวงพ่อพยายามมองดูถึงจะไม่อย่างองค์หลวงตาทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามให้อยู่ใกล้เคียงที่เทมอเรามองเห็นแนวปฏิปทาของท่าน อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางท่านบางคนนะบอกหลวงพ่อมีอะไรก็ได้พูดตอนเช้าแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนแต่บางคนก็โอ้หลวงพ่อนะี่พูดมากไปแต่ตามไม่จริงอีกไม่นานนะลูกหลานนะหลวงพ่อจะหยุดพูดเพราะเหตุอะไรพ่อหลวงพ่อแก่นะ ในขณะนี้หลวงพ่อกําลังแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆที่มีประสบะการณ์อันไหนมาหลวงพ่อก็ประสิทธิ์ประสาทให้ลูกให้หลานได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้ว่าหลวงพ่อประสบะการณ์มาอย่างไรแล้วก็พูดพูดให้ลูกหลานได้ฟังต่อไปอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานแนละก็คงจะหยุดพูดเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนะ เพราะแกแกแต่ขณะนี้หลวงพ่อกำลังพูดออกไปก็คิดว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อตราาศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็หน้าคิดอีกส่วนหนึ่งก็นี่เมื่อหลวงพ่ อ, อ, อลงไปไประชุมที่กรุงเทพเกี่ยวกับ เรื่องการจะนำ บ, บุดีเรื่องสวนเสือเรื่องเสือที่วัดหลวงตาบัวหลวงตามหาบัวทพกับขึ้นมาวันนั้นไนะวันที่ยี่สิบเอ็ดตอนเย็นก็ทราบข่าวว่าลมกระหนำ่ำวัดของหลวงปู่ของเราหลวงปู่ลีของเราพ้าแดงโอ้รู้สึกว่าอลวงพ่อได้ยินก่อนเขาลงข่าวเมื่อวานอีกต่างหาก แต่หลวงพ่อเองคงพ่อเองเดีย๋ยวๆจะเอาอยัางไง ย, ยังคิดๆจะช่วยท่านยังได้ย่างไง เ, เหมือนกันนั่นแหะแต่ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองอรู้สึกว่าทางท่ท า, งทางทางทหารก็เข้าไปอยู่ในวัดของท่านดูแลท่านของของท่านอยู่แล้วทางแม่ทัพภาคนะหลวงพ่อกคยทราบข่าวทางตจอดอทั้งอะไร กำลังคิดว่าไม่น่าจะมีปัญห า, นะาที่จะดูแลวัดของท่านแต่ถึงยังไงพวกเราในฐานะลูกหลานอา็ค่อยๆฟังเหมือนกันถ้ามีอะไรที่จะตั้งหนักหนาเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหมือนกันนะั่นแหอสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ถ้าว่าไม่มีปัญหาก็แล้วไปหลวงปู่ลีสมัยก่อนเออ หลวงพ่อเที่ยวทุ่งมาปี 2,112 ขึ้นมาโดยลําดับมาวัดหลวงปู่ฟั่นมาวัดหลวงปู่ฉิมหลวงปู่แว่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สมัยหลวงปู่สิงทองหลวงปู่สุภัทหลวงปู่ขาวหลวงปู่น้องปัวน้องแซงหลวงปู่อ่อน ก็ไปเจอหลวงปู่ลีอยู่ที่วัดหลวงปู่อ่อนบ้านหนองโบบานว่าเป็นบ้านของท่านพอไปเจอทางเราเ็าอยู่พักอยู่ที่หนองโบบานแต่ช่วงนั้นหลวงปู่อ่อนท่านไม่สบายท่านลงกรุงเทพนะหลวงปู่ลีของเราเป็นผู้ใหญ่พอเสร็จแล้วทางก็เออผมจะเข้าไปบ้านตาดนั่นแหละหลวงปู่ลีเราก็ไปออกจากหนองแสง ออกไปจากบ้านน้องแสงเดินนะเราไม่ได้นั่งรถไปเดินจากน้องแสงไปน้องบัวบา น, นไม่ไกลเดินรัดถุงรัดถ่าไปางั้นพระนาไปพระเป็นผู้นำพระในวัดน้องแสงเป็นผู้นำพอไปก็เข้าไปอยู่วัดน้องบัวบานไปเห็นโอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยางมืดคึ้มวัดหลวงปู่อ่อนย า, นาลัชลิกหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟั น, นเป็น ถ้าหากว่าเป็นนั้นนหละก็บค่ายๆเขาเป็นเอสาวกซ้ายขวาเนี่ยเป็นผู้ที่เราทันเม็ดขันเคารพกันนะเอเหมือนกับโบกคาราสาลีบุตรลักษณะอย่างนั้นแหละเปรียบเทียบนะเอไปด้วยกันหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟันถ้าฮวาหลวงปูหลวงปู่พอพอไปถึงกันหลวงปู่อ่อนอายุพรรษามากกว่าหลวงปู่ฟันอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงปู่อ่อน แต่เวลาไปนั่งเหลวงปู่อ่อนนั่งกับหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนเป็นองค์แสดงเป็นองค์พูดนะแต่หลวงปู่ฟั่นนั่งรับตาเน่งเอหลวงปู่อ่อนก็พูดไปเรื่อยอย่างนั้นนะแสดงทำไปเรื่อยเห็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเป็นเนนน้อยนะ เ, เห็นอหลวงปู่อ่อนเป็นคนพูดหลวงปู่ฟั่นกันนั่งหลับตาฟัง เออต้นต้นไหนคิดตลกขึ้นมาหลวงปู่ฟันกัยิ้มยิ้มเท่านั้นพอนไปเออนิสัยหลวงปู่ฟันเนี่ยงามนลยเออนิสัยงามนิสัยเรียบร้อยแต่หลวงปู่อ่อนเนี่ยพูดแสดงทำแสดงความคิดเห็นตอนนี้หลวงพ่อไปอยู่ที่วัดหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ลีก็บอกว่าเออผมจะเข้าไปบ้านตากก็มีเราท่านอย่างนั้นกับผมขอ ติดตามไปด้วยได้ไหมครับผมรถพอว่างไหมเออว่างอยู่เพราะมเป็นรถพี่เขยของท่านแล้วกัหลานของท่านเป็นคนขับเป็นรถโดยสารประจำทางอยู่แล้วรถสองแถวได้ไปด้วยไดเ้เราก็เลยไปกับท่านาแล้วถ้าจะไม่ผิดว่าเราก็มีเนนองหนึ่งนะมีเนนองค์หนึ่ ง, นะา ม, ง, งมาจากห้วยสายมาเจอกันที่วัดลุงปู่สิงห์ทองเนนนั้นก็เลย ติดตามมาด้วยแต่ท่านก็มีเด็กเหมือนกันมีเด็กเด็กน้อยเป็นคนทางนั้นะทางโซพิเัยที่ทางบ้านหลวงทางวัดหลวงปู่ทวีเป็นผู้ดูแลท่านหลวงปู่ลีสมัยนั้นท่านก็เลยนั่งรถสองแถวจากหนองบัวบานเข้ามาอุดรจากนั้นทา่านก็หลานของท่านก็เลยจ้างแท็กซี่สมัยนั้นมีฝรั่งนะฝรั่งอยู่ที่สนามบินอุดร แต่เลยเขาก็เลยให้ขึ้นแท็กซี่จากอุดรเข้ามาส่งที่วัดป่าบ้านตาดสมัยนั้นเขาคิดราคาจากอุดรเข้ามาบ้านตาด0บาทค่าแท็กซี่โอ้เพร า, าแพงนะสมัยนะั้นเงิน20บาทไม่ใช่ธรรมดานะหายากเงินสมัยนั้นพอเขามาโอ้วิ่งเขามาฝุ่นตลบเลยเป็นทางดินแดงพอเข้ามา ผ่านเข้ามาตรงนั่นแหละตรงสระน้ำเลยนะถ้าเราเดี๋ยวนี้เราเห็นสระน้ำบ้านตาดนะนะเราเห็นสระน้ำบ้านตาดพาะผ่านพานมาจากบ้านตาดเราจะเห็นทางขวามือที่เป็นสระน้ำ น, นั่นแหละปีนั่นแหละปีสองพันห้ารอสิบสองนะอธิษฐาญาติโยมศาสตรลูกนี้ขุดนะมีทันโยนที่เป็นพระที่ดูแลเกี่ยวกับการขุดแต่สมัยนั้นเขาใช้ รถแท็กเตอร์ของรอพชอนะเลยรถรอพชอ เ, อเป็นคนขุดเอารถแท็กเตอร์ขุดนะแต่เราก็นั่งรถแท็กซี่มาแต่หลวงปู่ลีด้วนั่น น, น, นั่นเห็นไหมพ่อแม่คุยจานนั่งอยู่นั่นเลยพอทาดเด่นหลวงตาท่านก็เอาผ้าผูกศีรษะแล้วก็มีย่ามเล็กๆท่านก็ไปนั่งอยู่ในล่มต้นไม้ต้นกอไผ่ไปดูท่านไปดู รถแท็กเตอร์ดันสะตะก่อนมันเป็นสองสา น, น่ะต่อมาเขาเลยขุดเป็นสะเดียวแตนึงท่านที่แรกท่านบอกขุดจะให้สะคนลงสะหนึ่งจะให้ควายลงสะหนึ่งเพราะควายหน้าแรงที่บ้านตาดไม่มีน้ำเลยแถวนั้นน่ะเวลาควายกินหญ้ามาแล้วเนะี่ยมันจะเข้าไปในบ้านเออมันหอบเลยเพง่อนอนะมันมันหิวน้ำนะ่ะ คนต้องตักน้ําให้มันกินท่านเห็นแล้วน่าจะเอาน่าจะมีสระน้ําให้ควายให้ควายกินน้ำซะก่อนอย่าให้มันไปนให้มันกลับบ้านอย่างน้อยแค่มันนอนน้ำซะก่อนเ น, <Okay. S 1> นี่ยหลวงตาท่านมีเมตตาถึงขนาดนั้นนะเมตตากระทั้งควายด้วยนะท่านก็เลยให้เขาขุดสระท่านก็เลยซื้อที่ดินเออซื้อที่ดินของโยมเออกี่ไร่มันสีไร่หรืออะไรน่ยซื้อที่นาจากนั้นเขาก็ เอาแท็กเตอร์ไทยเป็นสระน้ำพอเสร็จแล้วเราก็นั่งรถผ่านเข้าไปข้างในผ่านๆเข้าไปข้างในพระตามปกติพระวัดป่าบ้านตาดยุคสมัยนั้นท่านไม่ให้ต้มน้ำร้อนเท่านไม่ให้มีดอ ก, กโกโก้กาแฟไม่มีถ้าหากว่าวันไหนมีการมีการเนนจึงจะต้มน้ำต้มน้ำกัตนรตรม พอปัดกวาดขึ้นมาแล้วก็หมายโยกน้ำโยกน้ำใส่ใส่เป๊บมันมปเครื่องโยกแบบของฝรั่งอเมริกาเขามาให้เครื่องโยกน้ำสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแต่ใช้คนสูบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ใส่ปป๊บแล้วก็ขนไปส่งตามคุติต่างๆส่งไปตามห้องน้ำต่างๆใส่รถแล้วรถล้อเข็นของเรา บางทีก็ใส่แปดปิ๊บบังสิบปิ๊บบังบางทีก็ถึง13าปิ๊บบังใส่ปิ๊บนะสูบสูบสูบเสรแล้วก็เข็นไปไอ้พวกที่เข็นนี่ก็นั่งรอจะนั่งก็เข็นไปแลก็กลับมาอีกจนพอแต่วันหนึ่งก็ประมาณสักสองเที่ยวสามเที่ยวเนี่ยนะสูบน้ำนะอันนี้เราพอตอนบ่ายถ้าวันวันไหนมีงานนะมีงานในวัด มีงานตัดไม้บ้างเอาฟืนบ้างเคียหินบ้างเคียดินบ้างทางทัทาทางได้จงกลมบ้างลักษณะนั้นมีงานโยธาขึ้นในวัดจึงอนุญาตให้ต้มน้ำให้ต้มน้ำถวายพระเพราะพระออกกำลังเหนื่อยหลวงตาอนุญาตแต่ถ้าถ้าว่าทันวันธรรมดานะเพราะ ปัดกวาดเสร็จแล้วก็ตักน้ําเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างเงียบเข้าทางใดจึงกลมคลองใครคองเราหรือพักตามคลองใครคองเราอาบน้ําเสร็จแล้วอันนั้นคือที่หลวงพ่อเข้าไปในยุคสมัยนั้นที่พูดให้ฟังคือเท้าความให้ฟังสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปอยู่วัดเข้าไปบ้า น, นตาดแต่ในเรื่องวันวันนั้นเข้าไปก็คงเป็นการทํางานของนั่นแหละขุด สระน้ำข้างนอกหลวงตาก็ออกไปพระทันยูนก็ออกไปข้างนอกไปเฝ้ารถแท็กเตอร์พอเข้ามาเห็นแต่เราก็ไม่รู้เราอะท่านต้มเวลาไหนพอเราศึกษาที่หลังเราจึงรู้ได้ไดว่ามีงานมีการซะก่อนยังค่อยมีการต้มน้ำต้มน้ำโกโก้ ก, กาแฟฉันแต่ในวันนั้นเราก็เข้าไปก็ไปเจอไปเจอกับการต้มน้ำ ที่น้ำฉันพอดีท่านก็นต้มน้ำเสร็จแล้วพออีกสักพักหนึ่งพวกพระท่านก็ฉันตามตามที่ท่านฉันทรงโกโก้โดยมากโกโก้สมัยนั้นเป็นโกโก้โกนางพยาบาลกระป๋องสี่เหลี่ยมฮะแล้วก็มีกาแฟสุดแท้แต่ใครจะฉันอะไรพออีกพอเราก็ฉันฉันไปบ้างแต่นี่เห็นหลวงตาเอาผ้าย่ามเล็กๆแล้วก็ผ้า เน็บลักแลมานะพกพระเห็นก็นแตกเออแล้วไงทั้นนะทงพระฝรัง่งทั้งพระไทยแต่คือแต่คือไอ้ตรงที่นั่งตรงกลางนะนะ่ะแล้วก็เป็นนั่งขอบขอบขอบขอบข้างโรงครัวนะ่ะ เ, เขาก็เอากอ๊อบหมากรอบตัวเล็กๆประมาณชักสูงประมาณชักฝ่ามือนะ่ะยาวประมาณชักคืบกว่านะก็ไปวางไวม้มุมต้นเสาเให้ท่านนั่งแล้วก็มีอีกกรอบ มาอีกตัวนึ่งสําหรับวางข้างหน้าสําหรับใส่ถาดสําหรับใส่โกโก้โกแก้วแล้วก็มีน้ําอีกแก้วนึ่งสรุปแล้วก็คือมีสองแก้วที่วางไว้ก๊อบข้างหน้าตัวลเล็กๆจากนั้นท่านมาท่านก็นั่งแ ต, แต่เราก็แปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้าไปรับยามท่านแต่ตามไปจีงท่านไม่ให้นะเข้าไปให้่ามายุ่ง พอนั้นพระทุกองก็ต้องไปหลบหลบนั่งอยู่ข้างข้างหลงน้าร้อนดาว่หลงปู่ลีท่านก็ไปนั่งหลบหลบแต่หลวงพ่อนี่ไม่เคยใช่ไหมคล้ายๆเหมือนนกไม่รู้ไม่รู้เหยียวนะหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งข้างๆแต่ไม่ได้หลบนะหลวงพ่อก็นั่งพ้เราไปสังเราไปศึกษาเนี่ยจะ ไ, ไปสังเกตใช่ไหมเ้วก็ไปนั่งมอง ท่านก่นฉันน้ําน่อยท่านคงเคเห็นนั่นแหละท่านฉลาดยิ่งกว่าอะไรหลงตาท่านมองคนท่านไม่ได้มองเต็มตาหรอกเหลือบดูแล้วก็รู้แล้วเป็นอะไรแต่หลวงพ่อเนี่ยเถล่เหมือนกับกวางเหมือนกับกวางอยู่ในป่าในโรงมองคนลักษณะอย่างนั้นนะแต่หลวงตาเนี่ยท่านไม่ได้มองเราอพระองค์นี้มันมายยังไงมันทำไมมันเซอร์นั ก, กคงจะว่ายอย่างนั้นหรอวะแต่หลวงพ่อก็นั่งพอเสร็จแต่ตั้งก็ฉันพอฉันเสร็จแล้วก็ท่านก็นลุกขึ้นมา ท่านก็เอาย่ามพุดย่ามของท่านก็คือมีตลับมากอยู่แน่นั่นอยู่ตลับมากท่านโดยมากจ่ามเขาลงตาในย่ามลเล็กๆหน่งล่ามย่ามไม่ใหญ่ท่านก็หอบถือไปด้วยแต่ก็ผ้าอับ พ, พื้นนึ่งเพื่อนก็เดินกลับกุฏิแต่ น, นี่ก็เราก็พอเดินเสร็จแล้วท่านก็ไปหลวงปู่ลีก็ชวนแล้วไปอินะอินิอน อ, นอนิไปไปส่งน้ำไปส่งน้ำํำพ่อแม่คุยย่านมาเราก็เราก็ เป็นเนตมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหยเรื่องการส่งน้ําถวายครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นของถนัดอยู่แล้วเหมือนกันแต่อยู่กับหลวงปู่ฟันเวลาปัดกวาดเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ำํำใส่ใบหนาดใส่ใบเป้า เ, เสร็จแล้วก็ยกไปกัถวายท่านก็นั่งเสร็จแล้วท่านก็ส่งน้ําแล้วก็เข้าไปถูหลังลูกศิตลูกหาถู เท้าบังเช็ดรองเท้าให้ท่านบังเช็ดเท้าบังทู้ล้างให้ท่านบังเจ็ดนั้นก็พอเสร็จแล้วท่านก็ลุกเปลี่ยนผ้าถวายท่านเช็ดอะไรให้ท่านปูอาจระให้ท่านเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งพอไปนั่งท่านมีอะไรท่านก็พูดฟังเออวันนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ให้โอวาทเสร็จแล้วก็พอจกชวงทยเออไป พวกเราก็ออกมาบางทีเราก็ฉันน้ําอยู่ในนั้นบางทีก็ออกมาฉันข้างนอกจุดแท้แต่บางทีเขายงเขาถวายที่นั่นก็ถวายที่นั่นอันนี้คือกูบาอาจารย์แต่หลวงปูล่ลาศท่านสมัยนั้นท่านไม่มีอติตเลขาลาบถึงขนาดท่า น, านโดยมากท่านไปสงในในตีนเขาแล้วบางทีท่านก็ให้สงถวายท่านก็อาบน้ําให้ท่านถูหลังให้ท่านบ้าง อ, อันนี้ก็คือเป็นอาจาริยวัด เป็นประเพณีของพระกรรมฐานาต้องเปลี่ยนผ้าให้ท่านเาช็ดร่างกายให้ท่านแล้วก็ถูรองเช็ดรองเท้าให้ท่านอันนี้คือว่าการปฏิบัติเรียกว่าอาจาริยวัดวัดปฏิบัติกับอาจารย์อันนี้เราถือเป็นเราถือกันมาเพราะท่้นหลวงพ่อเ น, นี่คล่องมากเพราะเราเป็นเนเ น, นเป็นเนนน้อยจนเป็นเนนใหญ่จนเป็นเป็นพร ะ, พระใช่ไหมเนี่ยเราก็หลวงปู่ลีท่านก็อ่ะไปะอิน ไปส่งน้พาพ่อแม่คุยจาน ร, รับผมเราก็แบบขะมังขหมออะไรวะงั้นแต่พวจะได้เขาไปสูงน้ําท่านแต่หลวงตามหาบัวน่ยวัดป่าบ้านตาจะไหน่ยต้นลําไยเต้นลําไยที่วัดของท่านเขาเอามาปลูกเออมับขนุนบ้างลําไยบ้างหลอบกุฏิของท่านปลูกห่างๆกันเลยเแล้วก็ท่านทําขอบเอาไว้เหมือนกระทาขอบเหมือนขอบกระด้งเนี่ยแล้วก็มี ไม้ม้สี่เหลี่ยมประมาณสัก เ, เมตรคูณเมตรละลักษณะอย่างนั้นแต่ไปวางเอาไว้แล้วกันหนุนเอาไว้แล้วก็พระท่านก็เอาน้ำไปวางไปตั้งเอาไวา้แต่เวลาท่านสงน้ำนให้น้ำไหลลงไปในในต้นลำใหญ่หรือต้นขนุน เ, เวลาท่านเขาก็มีผ้ามีลาวขึ้นมาเล็กๆสำหรับตีอีกลาวหนึ่ง สำหรับผ้าผ้าของผ้าอาบน้ําของท่านผ้าหนุ่งของท่านฮะแล้วก็ผาดเอาไว้ผ้าเช็ดตัวของท่านโดยมากท่านไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวขนหนูนะท่านไม่ใช้เด็ดขาดหลวงตามหาบวมผ้าขนหนูเนี่ยท่านใช้ผ้าอาบน้ําธรรมดาแต่ใช้สองผืนผืนหนึ่งอาบนุ่งอาบผืนหนึ่งเป็นผ้าเช็ดตัวแต่โดยมากเราท่านไม่ใช้แปรงสีฟันหลวงตา ยาสีฟันแปลงสีฟันท่านจะไม่ได้ใช้สมัยนั้นท่านไม่ใช้เลยละ่ะถ้าจะใช้ท่านก็ใช้ตอนเช้าคือไม้จิ้มฟันกัสีฟันท่านเองอันนี้เมื่อท่านเขาไปอาบน้ำกท่านกัม้วนปากธรรมดาท่านก็อาบน้ําตามปกติท่านก็อาบน้ํเพราน้ําันน้ําก็ไหลลงไปหาต้นไม้พอต้นไม้อาบอ น, นี่วันสองวันพระก็ย้ายไปต้นนั้นเองท่านบอกคือเราก็รู้เองว่าต้นไหน ย้ายไปเรื่อยเรื่อยหลอกกุฏิของท่านคือน้ำของท่านไม่เสียมันน้ำมันหายากใช่ไหมตกหน้าแล้งพอเราเข้าไปในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดือนเข้าเดือนพฤษภาแล้วนะเนี่ยปลายเดือนเมษาเมษาพฤษภาที่เข้าไปท่านก็ส่งน้ำตามปกติท่านทำอย่างนั้นแต่วันนั้นท่านก็เข้าไปอพอเข้าไปท่านก็ส่งน้า ส่งน้ำหลวงปู่ลีกันทวนอย่างที่ว่าน่ะปะอินๆไปส่งน้าพ่อแม่ครยจานครับผมออพอเสร็จแล้วท่านก็หลวงปู่ลีก็เดินเข้าไปไปช่องนั้นะทางเช่นนั้นแหละอไปกัหลวงปู่ลีไปถอยหน้าถอยหลังยักซ้ายยักควายเหมือนกับอะไรเข้าไปเหมือนลักษณะกลัวๆก้าๆ ล, ก ล, ก ล, กลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยคล้ายๆผม แปลว่าอหมาไม่รู้ไม่รู้เสือว่ากันเนี่ยหมาไม่รู้สิงสิงโตจะตะปบว่ากันน่ยหลวงพออ่อหลวงปู่ลีทําไมเดินช้าหนัพ่อแม่กุยารย์กําลังจะส่งน้ําอยู่เนี่ยกําลังจะเปลี่ยนผ้าเราก็คิดว่าเข้าไปกับเปลี่ยนผ้าจับผ้าถวายท่านเลยแล้วเอาผ้าที่ที่ท่านเปลี่ยนออกมาแล้วก็เรามาสะบัดแล้วก็ม า, ม า, มาเปลี่ยนผ้านี่คือเป็นประเพณีและเคยทํามาแล้ว การปฏิบัติครูบาจารย์อาจารย์เรียวัดนะการปฏิบัติต่ออาจารย์นะท่านนี้หลวงพ่อก็บลวงปู่ฤๅเดินถอยหน้าถอยหลังยักซ้ายยักขวาเป็นไงเนี่นนะพราะท่านท่านบอกพ่อแม่ครูจารย์เห็นพ่อเห็นเออเอาเข้ามาหนะลวงปู่ฤๅก็จะเข้าไปอันนี้คือเป็นประเพณีใช่ไหมอันนี้หลวงปู่ฤๅก็ทําท่านเดินยักซ้ายยักขวาหลวงพ่อก็เดินดุมดุมดเขาไปก่อนหลวงปู่ฤๅเห็นหลวงปู่ฤๅช้านะ พอเห็นหลวงตาจะเปลี่ยนผ้าอะเดินเราก็เดินเข้าไปเพื่อจะไปรับผ้าผ้าจากท่านฮะพอท่านเหลือบมาเห็นเท่านั้นแ่ะมันมาทําไมฮ <c oughs> พอหลวงตาบอกเท่านั้นแหะมันมาทําไมเราไม่ได้บอกให้มาเนี่ย่านั้นเถ่านั้นแหละเราก็งงเลยตอนนี้เพราะเราไม่เคยเจอเออเจอหลวงตาขู่ไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ขู่อย่างนั้นมาก่อนใช่ไหมล่ะ หลวงปู่ลีพอได้ยินเท่านั้นแ่ะหลวงปู่ลีหันหลังวับเลยว่ากันหลวงปู่ลีเห็นแต่ทางหลังแมพแมพแมพเลย ว, ว่าเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกเอยหลวงพ่อนี่ยว่างงเธอเลยอย่างว่าแต่งั้นถ้าเราจะให้สวงเราจะบอก ม, ยม้ยุ่งทําไมพราะว่านั้นเห็นหลวงปู่ลีเปิดแหนบหลวงพอ่อแต่ว่าไม่รอเหมือนกันนะว่าเติอนตามหลังมาเ อ, อตือนตามหลังมาแล้วก็ถามเอา กุจารย์ทำไมทำไวไม่ไม่เข้าไปสงพ่อแม่กุจารย์ทำไมท่านท่านไม่ให้สงฆ์ท่านท่านห้ามไม่ให้สงเราก็ไม่ต้องสงนะท่านถ้าท่านอนุญาตจากก่อนยัค่อยเข้าไปถ้าหากว่าท่านไม่อนุญาตมันเข้าไปไม่ได้แร้วครับผมเราก็เลยเรียนวิชาหนึ่งนะเอาไปถึงนะเรียนวิชาข้อหนึ่งเรางั้นแต่วิชาโดนดุว่ากั้นแต่นี่แหละคณะสัตยาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเนี่ย เข้าไปวันแร ก, กไปเจอหลวงตาดูนะครับไปกับหลวงปู่ลีนะหลวงปู่ลนะีเนี่ยเป็นผู้พานําเข้าไปทีแรกนะออถ้าว่าหลวงพ่อจะบรรยายให้มากกว่านี้เดี๋ยวหลวงพ่อพระเนนลูกหลานของหลวงพ่อต้องหกสิกว่าองค์วันนี้คงจะหิวอาหารนะเออพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาต่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร น, นะวันนี้นะรับพร